สังเกตนะครับถ้าหากว่ารักษาศีลถ้าไปทำปานาติบาตให้ผลยังไงครับให้ผลก็ถ้าตรงๆเลยก็คือตายแล้วไปเกิดไปตกนรกนะครับไปตกนรกหรือเกิดในอบายถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับก็จะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่นะครับเวลาเห็นใครไม่สมบูรณ์ด้วยร่างกายเป็นต้นก็รู้มันไม่ใช่ผลของการรักษาศีลแน่นอนแล้วก็ ส่วนสูงส่วนกว้างก็ไม่เหมาะสมนะครับเตี้ยเกินไปสูงเกินไปอะไรที่ไม่ไม่เหมาะสมเลยนะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างธาตทึบนะครับปฏิพานใบพริบไม่ค่อยดี <peninsula. S 2> หรือว่าเท้านี่ก็ไม่อยู่เหมาะสมมันสั้นข้างสูงข้างเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเป็นคนที่ไม่สวยงามเป็นคนที่แข็งกระด้างนะครับเป็นคนไม่สะอาดเป็นคนขี้ขลาดนะครับเป็นคนขี้หวาดระแวงเนี่ยนะไม่กล้าก็คือเป็นคนหวาดระแวงไปหมดนะครับ หรือว่าเป็นคนที่มีไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีพระละไม่มีกำลังเลยหรือว่าเป็นคนที่มีถ้อยคำหยาบคายมากนะครับพูดแล้วมันเสียงหุ่นห้วนยังไงไม่รู้ไม่น่าฟังอ่ะนะนะหรือว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเลยนะครับเดินมาเนี่ยคนเนี่ยแตกหมดลักษณะเนี่ยนะครับหรือว่าบริษัทก็โหแตกแยกหมดนะครับมีอะไรก็มีแต่วิบัตพินาศไปหมดมีลูกลูกก็ตายนี้จากมีพ่อมีแม่ก็มีปัญหาไปหมดนะครับ หรือว่าเป็นคนที่คอยวาดสะดุ้งวาดเสียวตลอดนะครับใครจะกําจัดอะไรเนี่ยนะเขาไล่มดไล่มแมลงที่อื่นก็ยังมาโดนเราอย่างนั้นเถอะนะใครๆก็กำจัดไม่ยากหรือว่าตายเพราะการถูกคนอื่นทําร้ายอย่างที่เล่าว่าพระมหาโมกขลานะนะครับหรือว่าคนที่ทําปานติบาตมากๆก็ทําให้มีบริวาร น, น้อยแล้วก็ทําให้เป็นมีคนมีผิวพรรณซามส้วัดทรงรูปร่างก็ไม่งาม เป็นคนที่มากไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บเป็นคนที่มากไปด้วยความเศร้าโศกเศร้าซึมเป็นต้นนะนะแล้วก็จะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจมีอะไรก็มีของมีคนรักก็ต้องพลาดพลาดเป็นต้นนะครับแล้วก็ทําให้มีอายุสัน้นอันนี้ผลของปานาติบาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นนะครับหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเห็นก็เออเนี่ยนะถ้าไม่มีศีลแต่ถ้าเป็นคนมีศีลดีนะครับเว้นจากปานาติบตรักษาศีลอันนี้ดีก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ แล้วก็ส่วนสูงส่วนกว้างก็ดีถึงพร้อมด้วยชวนะปฏิพันธไหวพริบมีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมเป็นคนสวยงามเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสะอาดเป็นคนกล้าหาญเป็นคนมีกําลังมากเป็นคนมีถ้อยคําพูดคําจาสละสุยเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายนะครับใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็ชอบเนี่ยนะหรือว่าเป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารเป็นต้นไม่แตกแยกนะครับมีครอบมีครัวก็ไม่แตกแยกพลาดพลาดกัน หรือว่าไม่หวาดเะด่งหวาดเสียวแล้วก็ไม่มีใครบังคัจัดอะไรได้เลยแล้วก็ไม่ตายดับเพราะการปองร้ายผู้อื่นเป็นคนที่มีบริวารมากเป็นคนมีผิวพรรณเหมือนทองคำนะครับเราว่าคนงามเหมนะเป็นคนมีสวดทรงงามหุ่นดีนะครับเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเป็นคนที่ไม่เศร้าโศกคือเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส หรือว่าเป็นคนที่ไม่พลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นคนมีอายุยืนนั่นะครับอันนี้เป็นผลของศีลดีนะถ้าเว้นจากปาณาติบาตโอ้ถ้าใครรู้อันนี้สงอย่างนี้จะไม่สมท า, านศีลขอนี้คงหาได้ยากนะนะครับถ้ารู้อันนี้สงรู้ผลเนี่ยนะก็ขนาดผลของทานนะอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดรู้ผลแห่งทานเหมือนอย่างที่พระองค์รู้เนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ได้ให ไม่ได้ให้ก่อนก็จะไม่กินนี่เหมือนการถ้าใครรู้จักผลของศีล น, นะครับก็จะรักษาใครบ้างที่จะไม่รักษาศีลถ้ารู้จักอ น, นิสงส์ดีนะแต่เนื่องจากไม่รู้จักอ น, นิสงส์อย่างที่กล่าวไปแล้วเป็นต้นนั่นเองนะครับจึงทุศีลกันนะครับแล้ว ร, รู้จักในรู้จักขนาดไหนครเพราะว่าโดยปกตินเนี่ยเอถ้าอ่านอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้เราก็รู้แล้วโอ้มันได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังไม่รักษาศีลเนี่ยฮะ ก็ฟังแค่นี้ก็ต้องทรงจำให้ได้ทั้งหมดด้วยนะครับไม่ใช่ผ่านหูเฉยๆถ้าฟังจริงๆก็คือฟังแล้วทรงจำแล้วเอาสาทยายเอาไปตรึกเอาไปเพ่งเอาไปคข้ครวนให้ดีเลยนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นกรรมและผลของกรรมยังไงโทษในภพนี้โทษในภพหน้าเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าทรงจำเอาทั้งฝ่ายดาฝ่ายขาวไปคร่ครวนให้ดีพิจารณาถึงสังสารวัที่ยาวไกลนะครับก็ต้องรักษาอยู่แล้วนะครับ แต่เนื่องจากมันแค่ผ่านหูเฉยๆนะครับถ้าแค่ผ่านหูเฉยๆยังไงก็รักษาไม่ได้อย่างแน่นอนทีนี้ต่อไปนะครับว่าถ้าหากว่าศีลปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าศีลเหล่านี้ดีเนี่ยนะศีลเหล่านี้เนี่ยครับถ้ารักษาดีเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นที่ตั้งแห่งปรามโมทเป็นที่ตั้งแห่งปีติเป็นที่ตั้งแห่ง ปสัที่นะครับเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะหรือว่าเป็นไปเพื่อสุคโสมนัสเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งด้วยนะเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานนะครับถ้าหากว่ารักษาศีลอันอนี้ดีนะครับซึ่งเป็นบาตแห่งการบรรลุโลกุตระธรรมชั้นสูงด้วยนะถ้าเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ให้ผลเป็นรูปร่างกายอย่างที่ว่าไปก็ยังเป็นฐานที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะครับเพราะว่ากุศลศีลหรือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เหมือนกับแผ่นดินนั่นแหละพระองค์ตรตัสว่าพีชคามและภูตคามเนี่ยนะครับเวลาจะเจริญจะงอกงามก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินชั้นใดคนที่มีศีลถ้าตั้งอยู่ในศีลก็จะเจริญงอกงามสามารถเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นกุศลศีลเหล่านี้เป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเป็นอย่างดีเลยนะครับนะบเป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าอาธินนาทานเวรมนีละนะครับถ้ารักษาศีลเขออาอธินาทานเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีข้าวเปลือกมากเป็นคนที่มีโภคะเป็นอเนกอนันต์เป็นคนมีโภคะยั่งยืนเป็นคนที่ต้องการโพวกรทรัพย์ได้อย่างฉับพลันนะครับการมีโพคะไม่ทั่วไปกับคนอื่นมีพระราชาเป็นต้นไม่ถูกปล้นนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่มีโภคะโอลานคือยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถเป็น อยู่ที่ไหนก็เป็นหัวหน้าในที่นั้นๆแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักคําว่าไม่มีแล้วก็เป็นผู้อยู่อย่างสุขสบายนะถ้าจากเหตุอันนี้เนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าคนถ้าไม่รักษาศีลข้อนี้เนี่ยนะครับไปรักไปขโมยไปคอร์รัปชันทําบาปทําทุจริตทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้มียังไงครับก็จะทําให้เป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์มากไม่มีข้าวเปลือกนะครับเป็นคนที่ทุกขตะเขียนใจเรียกว่าแทบจะไม่พออยู่พอกินเลยนะครับ ถ้าหากว่าผิดศีลอันนี้นะครับไม่รักษาศีลข้อที่2ไปรักไปขโมยเป็นต้นก็จะเป็นเหตุให้มีโภคะน้อยนิดนะครับมีไม่มากนะครับมีก็แพ็กกันตายเฉยๆนะอย่างมา ก, ก น, นะหรือว่าเป็นคนที่มีโภควคาดร่ํ า, า ร, รวยแล้วก็ไม่มีร่ํารวยก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรเลยถูกหวยถูกลอตเตอรี่เป็นต้นก็ใช้ไม่กี่มื้อกี่วันก็หมดเกลี้ยงอย่างเงี้ยหรือว่าถึงมีทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์ไม่ได้อย่างต้องการที่ใจคิดนะครับ ก็เมือนกับคนมีเรือแต่อยู่ฝั่งโน้นมีเงินแต่เขายืมไปอย่างเงี้ยนะมีครอบมีครัวครอบครัวก็ น, นี้จากไปหมดอย่างเงี้ยมันจะไปได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นมีข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่ได้ใช้อย่างฉับพลันนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนพระราชาก็รีบไปบ้างโจรก็ปล้นบ้างน้ําก็ท่วมบางไฟก็ไหม้บ้างนะครับลูกคือเราลูกอัปรีลูกจังไรก็พลานไปหมดมั่งนะครับ อันนี้ก็เป็นผลของการไม่รักษาศีลข้อนี้หรือว่าเป็นผู้ที่มีโภคะนี่ไม่มากนะครับไปอยู่ที่ไหนก็เป็นแต่บริวารเขาถูกเขาใช้งกงกเงินๆนะครับทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรซากอย่างนะครับอยู่ทุกอยู่ยากเนี่นะแล้วก็เป็นคนที่อยู่อย่างทุกอย่างยากอย่างลำบากแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้เป็นอย่างดีนี่นะครับงดเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยนะครับ ถ้าหาเหตุอันนี้ดีก็เป็นคนที่มั่งมีศีสุขอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุให้มั่งมีศีสุขนะครับสมความปารธนาแล้วก็มีโภคะมีทรัพย์สมบัติเนี่ยมากมายมีโภคะโพคะก็ยังยืนมีแต่เพิ่มมีแต่เติมขึ้นนะครับปรารธนาจะใช้สอยโภคทรัพย์อันใดก็ได้อย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันนะครับถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็บอกว่ามหาธนาธัญตานะครับเป็นผู้ที่มีทรัพย์มีข้าวเปลืองเนี่ยมากนะครับ ธนะเยอะนะครับมหาธนะเนทรัพย์เยอะทัญยะก็ข้าวเปลือกโอ้มีข้าวของเครื่องใช้มากมายว่า ง, งั้นเถอะอนันตโพคตาว่า ง, งั้นเป็นผู้มีโภคะเป็นอนเนกอ น, นันต์หรือว่าทิระโภคตาเป็นคนที่มีทรัพย์ยั่งยืนแล้วก็อิชิตานังโภคาณังขิปปติลาโภเป็นคนที่ได้ทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลันนะครับแล้วก็ราชาทีหิอาสารณโพคตา ก็การมีโพคะไม่ทั่วไปกับพระราชานะครับอุลาระโภคาตาความเป็นผู้มีโภคะโอรานตัทธะตัทธเชทกภพาวูความเป็นหัวหน้าในที่นั้ น, น, นแล้วก็นัตถิภาวะสะาชานันาตาความเป็นผู้ไม่รู้จักคาว่าไม่มีแล้วก็สุขะวิหารตาความเป็นอยู่อย่างสบายทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเปรียบเทียบดูนะครับว่า คนที่ทำอาธินนาธานก็คือไปทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยลดลงนะครับคือเช่น <x> เขามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปตัดรอนไปลักไปขโมยเนี่ยก็ไปทำให้ทรัพย์สินของเขาให้คนอื่นเนี่ยลดลงไปลดลงไปเพราะฉะนั้นเวลากรรมอันนั้นมาให้ผลเรามีทรัพย์อยู่แล้วทรัพย์เหล่านั้นก็ต้องหมดไปนะครับทำให้ทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยลดจำนวนลงนะครับแม้จำนวนเขาว่ามีทองก็กลายเป็นหินไปได้นะครับกลายเป็นฐานไปได้ ทีนี้ทรัพย์ของคนอื่นนะครับที่เขามีอยู่ถ้าไปรักไปขโมยก็ทําให้ทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยลดลงก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์ลดลงแต่ถ้าไม่รักไม่ขโมยก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีทรัพย์เป็นอนเนกอั น, นันต์ขออนุ ญ, ญาตครับอันดับสข้อแรกของอทินาทานเนี่ยบอกว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากมีข้าวเปลือกมากน ะ, ะถ้าหากว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยรักษาศีลอย่างเดียวโดยไม่ได้ให้ทานเลยเนี่ยนะ เป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีข้าเปลือกมากคือหมายกับว่าผลของทานอันนั้นเนี่ยนะครับทำให้เขามีทรัพย์มากเข้าเปลือกมากนะครับครับก็ต้องปอเป็นผลของทานน ะ, นะครับครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะนั่งสช่ท า, านศีลอย่างเดียวก็สมาทานศีเนี่เขาเป็นประโยค่าเป็นเหตุให้มีทรัพบละแต่ถ้าคนมีศีนี่ให้ให้ทานหน่อยเดียวเนี่ยนะครับก็มีผลมหาศาลนะครับ ไม่ต้องไปทํามากแบบคนไม่มีศีลก็ได้นะครับคือถึงทําแค่นี้ๆหน่อยๆเขาก็มีผลมหาศาละนะครับและอย่างคําว่าศีลเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคะได้ก็ก็ด้วยศีลอย่างเงี้ยครคือศีลเนี่ยนะครับศีลเนี่ยนะเป็นเรื่องของประโยคะเป็นการกระทําทางกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นที่ชอบทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประโยชน์คะสมบัตินี้ก็เป็นเหตุแห่งทรย์อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุนะครับ ทีนี้ศีนเนี่ยเป็นเหตุให้มีซั์เนี่ยนะครับเป็นอุปนิสัยให้มีทรัพย์นะครับเป็นอุปนิสัยให้กรรมที่เคยให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะให้ผลอย่างดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเช่นมารักษาศีลวันนี้พรุ่งนี้นะครับผลทั้งเจตนานี้จะให้ผลเลยไม่ใช่นะครับแต่เป็นประโยชค่าสมบัติเป็นอย่างดีให้กรรมที่เคยให้ทานเป็นต้นในอดีตเนี่ยนะมาให้ผลได้ง่ายนะครับนะ แล้วก็ถ้ารักษาศีลดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีโภคะยั่งยืนนะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าไปรักขโมยก็ไปทําให้ทรัพย์ของคนอื่นไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเองไม่รักษาศีนอ น, นี้ทรัพย์ของตัวเองก็ไม่ยั่งยืนอะไรแต่ถ้ารักษาศีนนี้ทรัพย์ของตัวเองก็จะยั่งยืนอย่างการรักขโมยเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นเขาใช้สอยทรัพย์ได้ไม่อย่างที่เขาต้องการใช่ไหมครับคิดอยากจะใช้ข้าวของอะไรอ้าวหายไปแล้วอย่างเนี้ย พันตัวเองไปทําให้คนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ทรัพย์อย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นตัวเองอยากได้อะไรต้องการอะไรก็โอยนอนกว่าจะได้ดแต่ละชิ้นแต่และอย่างแล้วบางคนเนี่ยคิดอยากได้อะไรก็คิดเป็น10บสปีนะครับอันนั้นนะครับเป็นผลของที่ไปรักไปขโมยนะทีนี้คนที่เป็นโจรเนี่ยนะครับคำว่าโจรเนี่ยนะครับ การลักทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ลักด้วยการข่มคูเวลาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปเที่ยวข่มคูไปเที่ยวข่มเหงไปเที่ยวปล้นเขาเนี่ยนะทีนี้พอตัวเองมาเกิดในชาติหลังๆมีทรัพย์ก็ถูกคนอื่นเขาปล้นเขาแกงแย่งชิงดีไปเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่ไม่รักษาศีลเนี่ยนะครับไปทําให้ทรัพย์ของคนอื่นที่โอลานอยู่แล้วก็ไปทําลายทรัพย์ของเขานะครับ แล้วก็คนที่ไม่มีทรัพย์ก็ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับถ้าคนไม่มีทรัพย์นะก็ไม่สามารถเป็นหัวหน้าคนได้เพราะฉะนั้นการที่รักษาศีลข้อนี้ก็เป็นเหตุให้มีทรัพย์เมื่อเป็นเหตุให้มีทรัพย์ก็จะได้เป็นหัวหน้าคนได้นะทีนี้ต่อไปนะครับถ้าหากว่าศีลข้ออภัพรรมจริยาเวรมณีหรือเวน้นจากการเมซุมิฉาจาร์ก็ในยะเดียวกันเนี่นะครับ ถ้าหากว่ารักษาศีลอันนี้ก็จะทําให้เป็นคนที่ปราศจากค่าศึกนะครับวิคตะปัจจทิกตานะครับเว้นจากค่าศึกคือทําให้ไม่มีค่าศึกเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าคนไปผิดกรรมไปไปมีผิดลูกผิดล้านคนอื่นเนี่ยก็ไปสร้างค่าศึกเอาไว้แล้วนะครับไปสร้างตรา บ, บาปไว้ในคนอื่นทําให้คนอื่นเขาผูกเว้นผูกพยาบาทเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าลูกใครใครก็รักภรรยาใครใครก็ชอบนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปทําให้คนอื่ น, น, นเขาเสียหายเนี่ยนะ เพรา ะ, ะเขาก็ผูกเวรผูกอาฆาตนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองก็สร้างฆ่าศึกสร้างศัตรูไว้มากแต่ถ้ารักษาศีลอันนี้ดีตัวเองก็ไม่ต้องประกาศศึกไว้กับใครนะครับไม่ได้ไปประกาศสงครามมาไว้กับใครก็เป็นคนที่ไม่มีฆ่าศึกอะไรเลยอันนี้สงต่อไปว่าสัพพะสัตตานังปยมนาปตาความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสรรพะสัตทั้งหลายนะครับถ้าถ้าศีล น, นี้ดีนะจะเป็นที่รักพอใจ เอางี้นะว่าถ้าใครไปผิดลูกผิดเมียเขาเนี่ยนะครับผัวเมียเขาจะชอบใจไหมล่ะนะครับเช่นสามีเขาเนี่ยนะครับรู้ว่าภรรยาของเขาไปได้นะถูกผู้ชายบางคนไปทําไม่ดีไม่ชอบเนี่ยนะครับหรือว่ามีลูกลูกถูกคนอื่นเอาไปปุยยี่ปุยย้ำเนี่ยนะเสียหายเนี่ยพ่อแม่เขาจะชอบใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทําเหตุแห่งความไม่พอใจของสัตว์อื่นเอาไว้นะครับทําเหตุที่ไม่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็เป็นโรคสังคมรังเกียจนะครับ ใครใครไปที่ไหนใครก็เกลียดใครที่ไหนใครก็ชังนะครับเห็นหน้าก็ไม่ชอบใจแล้วเนี่ยนะครับฟังเสียงก็รําคาญไปหมดเนี่ยนะลักษณะเนี่ยเป็นผลของการผิดศีลข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลอันนี้ดีก็เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนอื่นหมายคือว่าเป็นที่ไว้วางใจของคนทุกคนเลยนะครับว่าคนนี้ไม่สร้างความเสียหายแน่นอนถ้าไปผิดกาเม ก, กับครอบครัวหนึ่งเนี้ยนะทาให้เขาเอา่า เกลียดชังประมาณสักห้าหกเจดคนอย่างนี้นะฮะแต่ทําไมเวลากรรมมันจะส่งผลทำให้ทําไมให้เข้าไปที่ไหนทําให้คนมากมายเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันเกลียดชังเข า, า <c oughs> อะก็เหตุนะครับคือเหตุกับผลเนี่ยอย่าคิดว่าเท่ากันนะครับครับ <c oughs> พร อ, อยากคิดว่านะอนุภาพของเจตนาบางอย่างให้ผลได้เป็นร้อยๆอยชาตินะครับอย่าว่าแค่ชาตินั้นชาติเดียวเลยให้ผลได้เป็นร้อยๆอยชาตินะครับ ให้ผลได้อย่างเหมือนกับพระโมคะลานะเนี่ยนะท่านฆ่าพ่อแม่ท่านครั้งเดียวเองแต่ทําไมถูกฆ่าเป็นร้อยครั้งอะ่ะและที่ไปตกนรกนะครับบา ป, ปรกรรมที่ทําไปก็เหมือนกันนะครับครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะครับพอที่จะตราบาปอันนี้ติดตัวไปแทบตลอดชาติตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดแทบจะตลอดสังสารวัฏเลยนะครับถามว่าทําไมมันมันทำไมถึงให้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็าอานุภาพของเจตนาไงครับ นะเจตานานี่ให้ผลเกินตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะอนุภาพของเจตานากรรมนะครับเพราะฉะนั้นสังสารวัตรโดยเฉพาะเจตานากรรมเนี่ยจึงน่ากลัวนะครับผมจึงตรัาวว่าไอม้มโนสันเจตานาหารหรือเจตานาก็เหมือนกับบุรุษสองคนเนี่ยครับไปฉุดลงในหลุมฐานเพลิงนั่นแหละมันให้ผลได้มหาศาลนะครับบุญบางอย่างก็ให้ผลสบายแทบจะสบายเป็นกับกับเช่นให้ทานข้างเดียวทํำไมสุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะครับ สุขสบายเป็นไม่รู้กี่ล้านชาติกี่ล้านปีเนี่ยนะครั บ, รบแล้วก็ให้ผลก็เป็นใหญ่เป็นโตอย่างอื่นอีกมหาศาลอันนี้บาปก็เหมือนกันนะครับถ้าไปยิ่งไปทํากับคนมีศีลมีธรรมด้วยแล้วก็โหทุกทุกมากมายมหาศาลคือตัวเหมือนกับเป็นตราบาปที่ติดอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อตราบาปติดอยู่กับตัวเนี่ยนะไปที่ไหนใครก็มองเห็นนะครับไปที่ไหนใครก็รังเกียจนะครับ อันนี้อย่างสมมุตินาะคนรูปไม่งามเนี่ยนะครับไปที่ไหนใครชอบมากนะครับรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวเนี่ยนะครับไปที่ไหนใครก็ชอบไอ้ไอ้ตราบาปที่รูปร่างหน้าเกลียดหน้ารังเกียจเป็นต้นเนี่ยนะไปที่ไหนใครก็ไม่ชอบนี่คือผลของเขานะครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนะครับอณปานวัฒถัดชาตนาทีนางลาพิตา ความเป็นผู้มีปกติได้ของต่างๆเช่นข้าวน้ำผ้าและวัตถุเครื่องปกปิดนะครับคือถ้าศีลข้อนี้ดีนะแต่ถ้าหากว่าศีลข้อนี้ไม่ดีไปผิดลูกผิดอะไรชาวบ้านเป็นต้นเขาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลำบากด้วยข้าวน้ำผ้าแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่งมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะลาบาก สุขสุปณตาถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็ทําให้นอนหลับสบายนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ไม่ดีก็หลับไม่สบายเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไอ้ ก, กรรมประเภทนี้เนี่ยมันคล่องหวาดระแวงใช่ไหมครับมันต้องกลางค่ํากลางคืนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาทําเหตุที่ตอนทําเหตุเนี่ยนะทำให้คนอื่นเขาหลับไม่สบายหวาดระแวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวเองก็หลับไม่สบายแต่แต่ผมรู้จักโยมคนหนึ่งนะ เขาเป็นคนที่ผิดศีลข้อนี้บ่อยพอสมควรนะครับพวกนี้นอนไม่ค่อยหลับครับมันหวาดกลัวมันสะดุ้งไปหมดเลยนะยเออเป็นคนขี้กลัวขี้ขลาดไปเลยนะครับขี้กลัวนะครับกลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับหรอกครับอแต่แล้วก็ชอบทําเหตุประเภทนี้ด้วยนะว่าไม่เขล็ดไม่ลาอะไรเลยการมองตามหลักกรรมนั้นเขาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาตินี้นะครับไอเหตุในอดีตเนี่ยเป็นเหตุทําให้คนอื่นรบกวนเอายกตัวอย่างนะ ผมเน่นอนไม่หลับเลยพอจะนอนปั๊บเนี่ยเสียงสูงสูงต่ตาํา่ำใครก็มาเล่นดนตรีเป็นต้นเนี่ยนะคือนี่แหละครับมันก็กรรมในอดีตก็จะทําให้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีได้รับสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะนะนะแต่ไม่ใช่ว่ากรรมกรรมเพิ่งมาทำเพิ่งมารับตอนนี้แต่พูดถึงเจตนาในอดีตนะครับที่มันมาให้ผลทําให้คนอื่นคิดรังแกเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่า สุขปฏิพุฒนาตานะครับตื่นมาก็สบายนะครับก็คนที่ไปผิดศีลผิดธรรมนี่ก็แสดงว่าตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับอถ้ารสาสักษาศีลข้อนี้ดีก็ทําให้ตื่นสบายอปายะพยาวิโมกโหพ้นจากอบายก็แสดงว่าผิดศีลการเมก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกติวิบัตินรกนะครับไปเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรเป็นต้นนั่นเองแต่ถ้าศีลข้อนี้ดีก็อบายก็ไม่หวังแล้วนะครับ อิทีภาวะนปุงสกะภาวานังอภพตาความเป็นผู้ไม่สมควรแก่การเกิดเป็นหญิงและเป็นกระเทยนะครับถ้าผู้ชายที่ไปเกิดเป็นหญิงเป็นกระเทยเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือโทษของการไปผิดศีลผิดธรรมนะอย่างตัวอย่างอดีตชาติของพระอานุนก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงนะครับตั้งหลายชาตินะครับก็เนื่องจากไปเกิดเป็นลูกของคนมีท ร, รัพย์สินเงินทองเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะไปทําผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับ บทว่าอักโกธนตาความเป็นผู้ไม่โกรธนะครับเออนะถ้ารักษาศีลนี้ดีก็เป็นคนไม่ทําให้เป็นคนไม่ขี้โกรธคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่ไปผิดลูกผิดเมียเป็นต้นชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุให้คนอื่นเขาโกรธนะครับเขาเกลียดเขาจิงชังนะครับยิ่งครอบครัวเขาเนี่ยนะครับเขาเกลียดกันเลยนะครับทะเลาะเบาะแวงกันอะไรกันไปเลยถ้าหากว่า ลูกสาวของบ้านไหนไปมีปัญหาที่อื่นเนี่ยนะครับพอแม่ของบ้านนั้นครอบครัวของบ้านนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยอยู่เป็นทุกข์กันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทำเหตุที่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยตัวเองก็จะได้รับความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นคนขี้โกรธขี้งุดงิดนะครับอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเลยนะบทว่าสัจการิตาความเป็นผู้มีปกติธรรมจริงนะครับ ถ้าหาว่าเว้นจากศีลหรือว่ารักษาศีลข้อนี้ดีนะก็กลายเป็นคนที่มีคําสัต์คําจริงอ่ะนะพูดอย่างไงก็จะเป็นอย่างนั้นทําทําจริ ง, จ ร, งจริงอ่ะนะแต่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีก็ทําให้ไม่จริงเป็นคนที่ไม่มีสัจจะอย่างนั้นเถอะทําไมครับก็ไปผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้นะมันก็ต้องหลอกมันต้องโกงหกมันต้องมูสาวาดนะครับจึงจะทําได้ะคนมีศีลมีธรรมกาไม่ทําอย่างนี้อยู่แล้วต่อไปนะครับอมังกุภูตตาความเป็นผู้ไม่เกือ้อเขิน ถ้าหากว่าศีลข้อนี้ไม่ดีนะครับก็ทำให้เป็นผู้เก้อเขินไปที่ไหนก็โหมันมันเก้อเขินมันละอายมันอายไปหมดนะนะแตเราไม่กล้าสู้หน้าสังคมนะครับแค่ตอนทำเหตุเนี่ยนะรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เป็นคนที่ไม่กล้าเข้าหาสังคมนะครับต่อไปว่าอาราธนาสุขตาความเป็นผู้มีความสุขด้วยการรับเชิญนะครับ ไปที่ไหนใครก็เชื้อเชิญนะครับเออมาดีแล้วนะเอามานะอย่างเงี้ยเขาก็เชื้อเชิญเขาก็ต้อนรับนะครับแต่ถ้าหาว่าคนผิดศีลประเภทนี้ใครจะเชิญไปบ้านมั่งครับนะเดี๋ยวไปทําอะไรเสียหายบ้านเขาเรียราดบ้านเขานะครับเขาก็รังเกียจเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคนต้อนรับเหมือนกันแตนะ่ไม่มีใครต้อนรับไม่มีใครเชื้อเชิญมีแต่คนรังเกียจเนี่แสดงว่าศีลข้อนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับ บทว่าปริปุนินริยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์นะครับถ้ารักษาศีลนี้ก็อวัยวะทั้งตาก็ดีนะครับตาก็ไม่เลไม่เอียงไม่อะไรเป็นต้นเนี่ยนะหูก็ดีไม่พี่กงพิการจมูกไม่พี่การอวัยวะร่างกายทั้งหลายไม่พี่กงพิการคือมีความสมบูรณ์นะครับงดงามนั่นเองนะครับทารักษาศีลดีนะถ้าไม่ดีก็แสดงว่าวิบัติต่อไปนิราสังกตาความเป็นผู้ปราศจากความระแวง นะคือไม่ไปเคยทําให้คนอื่นเขาหวาดระแวงเลยนะตัวเองก็ไม่ต้องระแวงอะไรนะครับอยู่อย่างสบายอโปโสดุกตาความเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยนะครับคือไม่ต้องไปเป็นภาระไปวิตกกังวลอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีภาระมากอะไรมากนะมันวุ่นวายเป็นหน้าเดือดร้อนก็ไม่ต้องมีสุขาวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างเป็นสุขนะครับถ้ารักษาศีลนี้ก็ทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่เป็นสุขนะ อากุโตพยาตาความเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนๆเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปวิตกกังวลวิปปิยะวิปปโยคาภาโวเป็นผู้ไม่พลาดพลาดจากของรักของชอบใจนะครับมีของเป็นที่รักที่ชอบใจก็ไม่ต้องไปพลาดพลาดอะไรนะครับนี่ก็เป็นผลของการงดเว้นจากมิจฉาจาร์ก็รวมอยู่ในลักษณะแม้แต่ประพฤติพรหมจรรย์นะครับตั้งใจสมาทานประพฤติพรหมจรรย์ก็จะได้ผลทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันหรือว่า ไม่ผิดการเมนะครับเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจากการเมศุลมิจฉาจาร์ก็จะสมบูรณ์ด้วยอั น, นิี้สองเหล่านี้นะครับอ่านสรุปอีกครั้งว่าถ้ารักษาศีลข้อเว้นจากการเมศุลมิจฉาจาร์หรือพระภิกษุปเป็นต้นเนี่ยนะครับสำ ม, มนเณิทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะก็จะทําให้เป็นผู้ที่ปราศจากข่าศึกเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสรรพสัตว์เป็นผู้มีปกติได้ข้าวของต่างๆเช่นข้าวน้ําผ้าวัตถุข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะ ทำให้เป็นคนนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาก็สบายพ้นจากอบายไม่ต้องเกิดในนรกเป็นต้นไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิงเป็นกระเทยเป็นคนไม่มักโกรธเป็นคนมีปกติธรรมจริงเป็นคนที่ไม่เก้อเขินเป็นคนที่มีความสุขด้วยการต้อนรับการเชื่อเชิญเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สมบูรณ์ตาไม่พิกลพิการเนี่ยนะความเป็นผู้ปราศจากความระแวงเป็นคนขวนขวายน้อยนะครับ เป็นคนที่อยู่อย่างเป็นสุขเป็นคนที่ไม่มีภัยจากที่ไหนๆไม่ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจนะถ้ารักษาศีลนี้ดีนะแต่ถ้าไม่รักษาศีลข้อนี้เป็นยังไงครับขาสึกก่อเยอะไปที่ไหนก็ไม่มีใครชอบข่าวของเครื่องใช้ก็หายากเพราะไม่มีใครสงเคราะห์เลยนะนอนก็ใหม่หลับตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะครับเป็นเหตุให้ไปสู่นรกเป็นต้นบางทีก็เกิดเป็นเยิงเกิดเป็นกระเทยเป็นคนมักโกรธ จะคนทํำหล่อแหละสก๊อกสแงยไม่จริงสักอย่างนะครับเป็นคนที่อะ น, นะเก้อเคินไปที่ไหนก็สะดุ้งหวาดกลัวนะครับมันระแวงอ่ะ น, นะเป็นคนที่ไม่มีความสุขด้วยการรับด้วยการเชื้อเชิญนะครับเป็นคนที่มีรูปร่างไม่นะ่าไม่งามอ่ะ น, นะยินสีพิการเป็นคนที่มักระแวงเป็นคนที่โหมีภารกิจมากเหลือเกินนะครับอะไรที่มันทําง่ายๆตัวเองก็ต้องไปทุกข์ไปยากไปลําบากหมดอนะ่ะ แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่อย่างเป็นทุกข์นะครับมีแต่มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยนะครับมีของรักของชอบใจก็ต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเนี่ยนะครับถ้าศีลเหล่านี้ไม่ดีนะครับะว่าควรเอาไปตรึกดูนะครับว่าถ้าไปผิดศีลข้อกาเมแล้วเนี่ยนะทุกโทษอะไรที่จะได้รับบ้างนะครับถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีแล้วก็สุขสงบนัดอะไรบ้างที่จะได้รับเรื่องจากรักษาศีลเหล่านี้ดีนะครับ นี่ก็คงใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะ